216. ริฉินท ก, กะจีวรานุชาหนานาว่าด้วยทรงอนุญาตจีวรตัดเรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา 345. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นักุงราชครืตามพระอัทยาใสาแล้วสเสด็จจาริกไปทักขินาคิรีชนบท ทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคตซึ่งเขาพูนดินเป็นคณนาสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อคันายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้างขั้นระหว่างด้วยคันาสั้นๆเชื่อมกันเหมือนทางสี่แพร่งตามที่ซึ่งคานาตัดผ่านกันรับสั่งกับท่านพระอานุ์ว่าอานุน เธอเห็นนาของชาวมคตซึ่งเขาพูนดินเป็นคณาสี่เหลี่ยมยาวทั้งด้านยาวและด้านกว้างขั้นระหว่างด้วยคณาสั้นๆเชื่อมกันเหมือนทางสี่แพร่งหรือท่านพระ อ, อนุนกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรถามว่า เธอสามารถทำจีวรของภิกษุให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือท่านพระอ น, นุ์กราบทูลว่าสามารถทำได้พระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณทักกีนาคิรีชนบทตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จกลับมายัางกรุงราชครืออีกครั้งนั้นท่านพระอนน์ แต่งจีวรสำหรับภิกษุหลายรูปแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลดังนี้ว่าขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรจีวรที่ข้าพระองค์จัดทำแล้วพระพุทธเจ้าข้า